2. กตาปฏิวาระวาระว่าด้วยต้องอาบัตเท่าไรห่ปาราชิกกันคำถามคำตอบจำนวนอาบัติในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่5 2 2 8ถามภิกษุณีผู้กำหนด ยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำหนดต้องอาบัตเท่าไรตอบพิกษุณีผู้กำหนดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำหนดต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งยินดีการจับต้องบริเวณใต้รากขวัญลงมาเหนือหัวเข่าขึ้นไปต้องอาบัตปาราชิกสอง ยินดีการจับต้องบริเวณเหนือรากขวัญขึ้นไปใต้หัวเข่าลงมาต้องอาบัตทุลจัยสยินดีการจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฎภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้